เันถึงบอกว่าจะไม่มีความขี้เกียจอยู่ได้เลยยกเว้นว่าคุณกําลังปฏิบัติอยู่เนี่ยมันก็จะมีบ้างบอกแล้วแต่ถ้าคุณปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติจนกระทั่งเรียกว่าคุณได้แล้วนะคุณเข้ากระแสะเต็มที่และอย่างน้อยน้อยแปดสอย่างเงี้ยนะในฐานโสดาบั น, นทันทีแล้วจิตของคุณจะต้องมีคุณสมบัติพวกนี้เกิดขึ้นทันที ไม่ใ่ไม่ใช่เกิดขึ้นทันทีอ่ะคือมันสั่งสมมาจนกระทั่งเกิดเกิดประจำตัวประจาจิตของเราแหละจะมีเลยโดยอัตโนมัติคุณจะไปทำคุณจะไปหยิบไปจับไปทำอะไรนี่สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเลยไม่ว่าจะสิ่งข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้ามมันขึ้นมาเลยคุณจะไปพูดโกหกอย่างเงี้ยทันทีเลยนะอ่ามันจะยกเว้นว่าคุณเผลอไปบอกแล้ว คุณเผลอไปคุณไม่จะเจ ต, ตนาอ่ะไอ้น้ำมันพังออกไปอย่างเงี้ยมีพังออกไปอันนี้เป็นไปได้แต่ไอ้ว่าคุณรู้แล้วว่านี่จะพูดโกหกแล้วคุณยังพูดออกไปอีกนี่คุณต้องรู้ว่าอย่างเงี้ไม่ใช่ล้วไม่ใช่คุณสมบัติของฐานโสดาบันเพราะฐานโสดาบันเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยนี่จะโกหกแล้วนะพูดอย่างเงี้ยจะไม่ยอมพูดถ้าคุณทําได้แล้วนะจะไม่ยอมพูด เคยพูดให้พวกเราฟังอ่ะมาเคยศึกษาในพระไตรปิฎกเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องศินข้อที่สี่เนี่ยผู้เจ้าเนี่ยท่านตรัสเอาไว้ว่าไม่ว่าชาติไหนชาติไหนชาติไหนของท่านเนี่ยที่บางทีไปเป็นโจรบัางนะไปเป็นอะไรอ่ะลืษีชีพายบ้งไปเป็นสัตว์ต่างๆบ้างอะไรอ่างต่างเนี่ยไม่ว่าชาติไหนก็ตาม โดยเฉพาะศีลข้อที่สี่เนี่ยคุณสมบัติก็คือว่าจะไม่ยอมกล่าวโกหกเลยไม่ว่าจะชาติใดๆที่ท่านสะสมมายิ่งเป็นโพธิสัตว์แล้วเนี่ยศีลข้อสี่นี้เรียกว่าจะให้บริสุทธิ์ผุดผ่องเลยจะไม่มีการโกหกเด็ดขาด ท, า ท, าทั้งๆที่บางทีโอ้โหท่านยังไปเกิดไปไนั่นไปเกิดไปไอนี่อะไรเยอะแยะไปหมดนะอ่า อันนี้อันนี้ผู้ฟังเพราะฉะนั้นส่วนวิธีเรื่องของการแก้ขี้เกียจก็บอกกันนะมันเยอะแยะหลายวิธีมากคือคื อ, ค, อคือไอ้วิธีนอกนั้นเนี่ยขึ้นอยู่ที่เทคนิคอย่างเช่นอาตมาเนี่ยไม่ลองอื่นกายอาวันเนี่ยทำงานไปทํางานไปยัง อ, อ๋อง่วงๆเลยง่วงเลยนะทำไปทํามาง่วงเอามีสติขึ้นมาก็เอาเอาสลัด นะสลัดก็เอาทํำต่อทํำทาทําไปเอาเยอะง่วงอีกแล้วก็สลัดสลัดสักสองทําทีนะรู้สึกว่าชักไม่ไหวแล้วคือรู้ว่าเราปล่อยไปมันก็ซึมไปเรื่อยอะมันไม่ถึงกับหลีหลับไปหรอกแต่เรารู้ว่ามันเบอเบอร์แล้วทางานมันเนี่ยมันเบอเบอร์แล้วชักไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วนะ่ะปล่อยต่อไปเนี่ยมันมันจะซึมอย่างเงี้ยไปเรื่อย สติเรามันจะมีอยู่มันจะบอกว่าเนี่ยกำลังซึมแล้วนะกำลังซึมแล้วนะมันมันจะมีสติตโจนี้อยู่พอรู้เสร็จวันนี้พอเอ้ยปล่อยต่อไปอีกไม่ไหวแล้วไปไปกันนี้เนี่ยมันก็ซึมมาอย่างเงี้ยมันไม่ถึงกะลับแต่มันก็ซึมมาอย่างเงี้ยคราวนี้มันมันพูดยังไงมันเหมือนกับชาร์จชาร์จตัวเองเ่ยแล้มาก็เอ้ยมันเหมือนกับรวมพลังนะแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินเดิน พอเราเปลี่ยนอีเดยิดยาบกขึ้นมาใช่ไหแล้วเราก็เดินใช่ไหมเออมันก็สติแล้วก็เต็มตื่นขึ้นม า, มากขึ้นไอ้ความขี้เกียจหรือว่าความซึมซึมอะไรมันก็ค่อยๆจางค่อยค่อ ย, าอ ย, อ ย, อยหายไปอย่างเงี้ยหรือไปล้างหน้าล้างตาไปทำอะไรที่ให้มันมันตื่นมากขึ้นอันนี้คราวนี้แล้วแต่วิธีไงที่บอกแล้วว่าเยอะแยะมากวิธีไปคุยกับใครก็จะให้มันหาย สมมุติว่าถ้าหลีหลับอะไรพวกนี้นะหรือแม้แต่ขี้เกียจเนี่ยบางครั้งเนี่ยจิตมันจมดิ่งแล้วบันขี้เกียจไม่อยากทําไม่อยากไม่ทําเนี่ยบางทีคุณก็หาวิธีอ่าบางทีก็ออเออไปชวนเพื่อนฝูงบงั่งอะไรบ้างนะทําคนเดียวมันเหงาบางทีก็เออเออหรือไม่ก็บางทีเออเปลี่ยนอีทยาบทหน่อยใช่ไหมเพราะจิตมันจะไม่ดีแล้วกับเอที่เราทําอยู่ปลี่ยนยาบทหน่อยอ่ะ เดินไปหาคนนั้นหน่อยสินะพูดคุยสักหน่อยให้มันจิตใจให้เรามันมันดีขึ้นก่อนดีพอจิตใจเราเราปรับได้บ้างเปลี่ยนได้บ้างดีขึ้นเน่ยเดี๋ยวก็ ก, กลับมาทําได้เองเองไ อ, อ้สิ่งนั้นเน่ยนั่นแหละมันอยู่ที่การปรับจิตมันพอปรับได้คุณก็หายขี้เกียจมันก็ทําได้แต่ว่ามันจะต้องสู้อย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆไงแต่ถ้าเราสู้บ่อยๆแล้วเราจะชํานาญพอชํานาญแล้วคราวนี้ สลัดง่ายขึ้นเรื่อยง่ายขึ้นเรื่อยแล้วรวมไปทั้งคุณสลัดง่ายขึ้นแล้วนะมันจะมามันก็มายากขึ้นเรื่อยถ้าคุณฝึกตัวเองให้ชำนาญเนี่ยมันจะมาเล่นงานเราก็ยากขึ้นเรื่อยเพราะคุณสลัดเก่งขึ้นเนี่ยมันก็มาเล่นงานคุณยากขึ้นเนี่ยมันจะมันจะประกอบกันไปอย่างนี้มันฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆแล้วมันชำนาญชำนาญแล้วสลัดหลุดง่ายเร็ว ขี้เกียรเนี่ยไม่ยากหรอกคุณจริงๆอามาบอกคุณได้เลยนะถ้าคุณปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติมาได้ขนาดนึงนะเรื่องขี่เกียรนี่กระจอกมากเลขี่เกียรโดยทั่วๆไปนะคุณแหกระจอกมากถึงไปอยู่ในอบายามุกอะ่ะคุณไม่แปลกใจบ้างเหรอไม่อยู่ในอบายามุกอะ่วะว่าโทมันยาบคุณ อะไรเนี่ยที่คุณผ่านผ่านมาแล้วไอ้เรื่องหยาบหยาบเนี่ยนะโอ้โหไม่อยากกลับไปแต่อีกเลยคุณจริงๆส่วนใหญ่นะมาบอกคุณได้เลยจะขยันเกินถ้าคุณปฏิบัติมาถูกทางพูดจริงๆนะนะคุณจากพระโสดาบันขึ้นมาเนี่ยคุณจะขยันเกินนะขยันมากขึ้นเรื่อยๆไม่มวีว่าจะขี้เกียจลงอ่าจริงๆนี่ไม่ได้พูดเล่นเลยนะ แม่ไอ้ดูก็อยากจะทำไอ้ น, นี่ก็อยากจะทำอะไรต่ออะไรมันจะอยากจะทำเยอะแยะเลยไม่พอให้คุณทำด้วยยิงง่งเนี่ยถ้าคุณสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะแต่บอกแล้วว่าแม้คุณผ่านด่านเป็นพระโสดาบันมาได้แต่คุณจะขี้เกียจในระดับของพระสกิาทาที่ที่ฐานพระกิทามีได้นะคุณ เพียงแต่ว่าคุณเลิกขี้เกียจแบบฐานของโซดาบันเท่านั้นเองแต่คุณจะมาขี้เกียจในฐานของรสาสกิตายัางได้อยู่ยังมีอยู่ขี้เกียจหยาบๆนะ่คุณเลิกได้อย่างที่อาตมาบอกโ อ, โอ่ะโอ้โหอูเลยเบี้ยวเลยแล้วก็ไม่ยอมทำเลยอะไรเลยเนี่ยโอ้กระจอกตัดทิ้งได้เลยระดับอย่างพวกเราเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาเหลือตรง หมายถึงว่านี่ถ้าฐานคุณจะสูงขึ้นเนี่ยนะให้คุณไม่ทำงานเลยเนี่ยคุณทำใจไม่ได้แล้วล่ะ <c oughs> คนอื่นก็ทำกันแล้วคุณจะมาสบายนี่คุณทำใจไม่ได้หรอกถ้าคุณเข้ากระแสมาแล้วนี่คุณจะรู้สึกตัวเองเลยว่าแย่ไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าไม่มีอะไรทันทีเลยเพราะนั้นมันต้องทำอยู่แล้วเพียงแต่พวกเราเนี่ยมันยังยังจะเลือกทำให้ที่ชอบใจ นเนี่ยเที่เรายังจะมีตัวเนี่ยก็คือตัวที่ยังจะเลือกทําที่ชอบใจหรือถูกใจไอ้ที่ไม่ชอบใจไม่ถูกใจเนี่ยมันไม่อยากไปฝืนทําไม่อยากไปสู้ด้วยแล้วถ้าสูงไปกว่า น, นี้ก็คือว่าอาตมาบอกแล้วยิ่งทำเนี่ยงานจะยิ่งเยอะขึ้นนะเพราะคุณยิ่งขยนันคุณยิ่งมีขีดความสามารถมากขึ้นงานยิ่งจะเข้ามาหาคุณมากขึ้นเรื่อยๆจะเยอะขึ้นเรื่อยๆไม่มีคําว่างานน้อยลงบอกคุณได้เลย ถ้าคุณปฏิบัติทำเนี่ยไม่มีคำว่างานน้อยลงอันนี้ซึ้งกก่ใจเลยอาจจะมามาอยู่อโศกเนี่ยซึ้งกก่ใจเลยเพราะเคยคิดว่าเออเราทำงานนี้สมมติตอนแรกเราทำอยู่คนเดียวเนี่ยเนี่ยเราทำได้ขนาดนี้นะโอ้โหแล้วงานเยอะใช่ไหมเราก็ว่าถ้ามีคนมาช่วยเนี่ยเราคงจะเบาขึ้นงานเราก็คงจะเบาขึ้นแล้วเราก็คงจะสบายขึ้นกับเดิมไม่จริงกัะคุณ พ่อบากฏว่าพอมีคนมาช่วยสองคนหรือมีคนมาช่วยสามคนใช่ไหมบากฏว่าเขายิ่งเห็นคนมาช่วยสองคนสามคนใช่ไหมงานก็ยิ่งเพิ่มมาหนักขึ้นกว่าเดิมอีกจากไอ้ที่มีอยู่ท่านอนาจารมันถึงบอกคุณว่าไม่มีจบเลยงานนี่ไม่มีจบเหมือนกับใครอามาจำไม่ได้นะพระอนุรุธหรือไงเนี่ยตอนที่ยังไม่มาบวชนะเป็นเป็นลูกกษัตริย์ แล้วก็มีพี่ชายของพระ อ, อนุรุธเสร็จแล้วก็ปากฏว่ า, าพระราชบิดาเนี่ยสวัสดิคตหรือยังไงเนี่ยนะเสร็จแล้วก็พูดง่ายว่าจะต้องใหโอรสเนี่ยขึ้นคองลาดแล้แล้วพี่ชายกับพระ อ, อนุรุธเนี่ยก็เลยมาคุยกันพี่ชายเนี่ยบอกว่าเออจะไปบวชให้พระ อ, อนุรุธเนี่ยของบ้านของเมืองแล้วก็บอกเนี่ยพระอนุรุธบอกเลอ อ๋อจะให้จะให้เขาคองบ้านของเมืองเหรอล้วต้องทําไงบ้างพี่ชายก็เลยพูดให้ฟังอาจจะต้องปกครองบ้านเมืองอย่างนี้จะต้องดูแลอย่างนี้จะต้องทไม่ได้ไอ้ น, นี่พระอนุรุตฟังเสร็จแล้วพี่เป็นฮะ <c oughs> บอกเขาไปบวชดีกว่า <c oughs> นะก็คืออันนี้มันเป็นบรารมีแล้วก็เป็นจิตของท่านที่สะสมมาอยู่แล้วนะคือจริงๆท่านก็ไม่เอาไม่อยากเอาไอ้เรื่องพวกนั้นอยู่แล้ว ท่านท่านปาถนามไปทางนี้อยู่แล้วรวมไปทั้งมันเป็นงานเยอะแยะแบบโลกๆอะใช่ไหมทำไปทไปเียท่านก็คงไม่ชอบอยู่แล้วเพราะนั้นท่านก็เลยให้พี่ปกคกองบ้านเมืองไปแล้วท่านก็มาบวชแล้วปรากฏว่าท่านต้องมาสู้กับฉีนมิทะท่านุรุษมาสู้กันนและไอตัวลีซึมตัวอะไรต่างๆเนี่ยทั้งที่โอ้โหท่านเป็นผู้ที่เก่งทางจิตนะ สู้อยู่ถึงถ้าจำไม่ผิดเนี่ย25ปีบวชแล้วเนี่ยนะแล้วมาสู้กับทีนั่วิธาเนี่ย25ปีนะกว่าจะเอาชนะได้ <c oughs> คุณคิดหรืเอาก็แล้วกันแล้วพระนุรุตเนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้าจะบริญญาผ่านใช่ไหมพุทเจ้าที ท, ที่ท่านเข้าสู่อะไรนั้นไล่ไปอะฌานหนึ่งฌาน àn, สองฌานสามฌานสี่อะไรต่างๆนะไปอากาสาไปอะไรคนอื่นนี่ ถามพานุรุทธว่าตอนนี้พระเจ้าท่านไปถึงตรงไหนแล้วต้องมาถามพาณุรุทธเพราว่าท่านจะเก่งในเรื่องของจิตอันนี้ว่าเ อ, เอตอนนี้พระเจ้ากำลังเข้าอะไรออกอะไรนั่นแหละพระเจ้าท่านกับไล่ไปเลยนะไล่ฌานไปจนไปถึงสุดเสร็จก็ย้อนกลับมาย้อนกลับมาเสร็จแล้วก็รู้สึกจะย้อนกลับไปที่ฌานสี่แล้วก็จบตรงนั้น พินีผ่านเนี่ยพระนุรุธท่านก็รู้เลยสามารถที่จะรู้ด้วยได้แล้วท่านก็บอกเพื่อนพิสูจอื่นให้ให้รู้ว่าเนี่ย <c oughs> กระแสจิตของพระเจ้าตอนนี้เป็นยิ่ง <c oughs> คุณคิดดูนีนระดับพระนุรุธเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ามันง่ายๆนะมันโอ้โหต้องต่อสู้ต้องเอาชนะแต่ถ้าคุณทำทำแล้วเนี่ยคุณทําได้เนี่ย คุณจะเก่งขึ้นคุณจะชนานาญขึ้นเรื่อยๆชนานาญขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องงานภายนอกเนี่ยอย่างที่บอกโอ้ก็จอกจริงๆทุกวันเนี่ยขณะธรรมาเองเนี่ยมาเคยพูดกับบางคนบอกอามากลัวไหมเนี่ยถ้าสมมติว่าต้องศึกออกไปแล้วก็ต้องไปทํางานไปทํามาหากินอะไรโอ้บวกง่ายมากเลยรู้สึกว่าไม่กลัวเลยนะว่าจะอดตายหรือจะไม่มีกินไม่ไม่กลัวอะไรจริง ต่อให้ถ้าไม่มีความรู้ความสามารถแบบโรกๆอะไรนะไม่กลัวเลยจะไปร่างถ้วยร่างชามนาไปแลกข้าวเขากินมีที่นอนนอนสบายมาก <c oughs> ไม่กลัวเลยถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยนะทำงานอยู่กับโรกๆเกีกนะ่ยกลับกลัวนะเพราะรู้สึกว่าโอ้โหเดี๋ยวมันลาบากเดี๋ยวมันอย่างนั้นอย่างนี้กลัว อย่างน้อยๆต้องมีเงินสักก้อนหนึ่งนะต้องมีบ้านของตัวเองต้องมีอะไระแต่ก่อนยังกลัวแต่เดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วไม่มีบ้านยังไม่ต้องอะไรอะ่ะเป็นห่วงกังวลอะไรเลยจริงๆแล้มาถึงบอกว่าพอมันฝึกฝนมาฝึกฝนมาเออมันเป็นได้จริงๆฮะไม่รู้จะอธิบายให้คุณฟังยังไงนะ อยากจะบอกว่าโอ้โหคุณมายิ่งมาปวดได้เยคุณไม่ต้องใช้เงินทองนะโอ้โหแสนสบายไอ้แต่ก่อนมีเงินทองไม่มากนะมีนิดๆหน่อยบ้างเก็บในธนาคารบ้ า, บางอะไรบ้างโอ้โหเรารู้สึกห่วงนะต้องคิดไอ้หนุนคิดไอ้ห น, น, นีคิดอะไรสารพัดจะคิดเดี๋ยวนี้สบายเลยไม่มีเงินสักบาทเลยนะแสนสบาย ไม่รู้จะอธิบายความสบายให้คุณฟังได้ยังไงแต่มันมันอธิบายเป็นรูปร่างได้ก็อยากจะอธิบายแต่ไม่รู้จะจะพูดยังไงอะ่ะแต่ก็บอกให้ฟังว่าเนี่ยโอ้โหมันต่างจากแต่ก่อนมากเลยนะแม้แต่เรื่องกินเนะี่ยไม่ต้องไม่ต้องเรื่องเงินนะแค่เรื่องกินก็ได้อู้แต่ก่อนนั้นมันแห่มันต้องนึกนะขณะเรามาก็ไม่จะไปติดเรื่องกินอะไรมากมายนะแต่เดี๋ยวมันก็นึกเหมือนกันนะ เอ๊เดี๋ยวจะกินอะไรดีนึกก่อนแล้วเอหรือบางทีพอมาเดิเดนมาดูที่โต๊ะกับข้าวดูเสร็จอืไปซื้อนู่นดีกว่าซื้อไอ้นี่ดีกว่าเอาแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ห่วงเลยมีมายังไง ก, ก็ยังเลือกนะก็เลือกตามที่เราจะกินได้ก็ตามที่มีเนี่ยแหละแล้วก็กินก็ฉันไปไม่เห็นจะต้องไปเดือดร้อนอะไรเลยโอ้ถ้าเป็นแต่ก่อนนี้มีไม่ถูกใจนี่ ไม่กินก็ได้นะมือนั้นแะแต่ที่ไม่กินนี่เพราะอะไรใมเพราะไม่มีอะไรถูกใจเลยยอมหิวจิ่กประชดประชดคนคนทมอาหาร <c oughs> ออิจริงๆเออบอกจะได้รู้สะบบางว่าเราชอบกินอะไร <c oughs> จริงจริงนะบางที ก, กินเหลันมั น, ม, นมันทำได้อ <c oughs> เออทั้งที่เราต้องหิวนะเราต้องอดนะเออแต่มันเอาชนะ เพื่อหวังว่าเดี๋ยวคราวหน้าเขาจะซื้ออร่อยๆตามที่เราชอบมาบ้าง <c oughs> โอ้ไม่เอาจริงๆเลยคนเรานั้นเนี่ยเอา้านี่เรื่องกินก็ตามนั้นเนี่ยเรื่องที่อยู่เรื่องที่นอนเรื่องอะไรโอ้ยคุณฝึกได้แล้วเบาภาละโปร่งจิตเบากายเบาใจมากมากเลย ถึงบางทีเห็นพวกเราเนี่ยที่บางทีทำงานทำการแล้วบางทีเงินไม่พอใช้บ้างแต่ก่อนนี้อาตมาก็อาจจะเงินไม่พอใช้เหมือนกันนะสมัยเป็นคารวะแ่หมายถึงว่าอยู่ข้างนอกนะไม่จะมาปฏิบัติอยู่วัดหรือว่าอยู่ข้างวัดแบบนี้นี่โอ้ถ้าเป็นแต่ก่อนมาปฏิบัติธรรมรับรองเงินเหลือเฟือแน่เลยถ้าถ้าปฏิบัติแบบอยู่โลกโลกนะแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้อะ ขนาดยังไม่รู้นี่อาตมายังไอ้นั่นเลยเคยเล่าให้พวกเราฟังอาตมาก็เคยทําคล้ายพ่อท่านมาเหมือนกันนะเนี่ยจดบันทึกเลยแต่ละวันแต่ละวันทําอะไรไปแต่ที่ทําไปนะเพราะว่าโดนโยมพี่ชายด่าโดนโยมพี่ชายว่าคือบางทีเนี่ยเขาชอบว่าเราไงบางทีพอเราถึงพวกเราขี้เกียจบ้างเนี่ยหรือว่าเราไม่ไปทําไอ้นั่นบ้างเนี่ยเขาจะว่าแล้วมึงเนี่ย รู้หรือเปล่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมึงใช้เท่าไหร่เนี่ยเสียเข้าสารเข้าสุกอะไรไปเท่าไหร่เนี่ยคือชอบว่าเรางี้อยู่เรื่อยเลยเราก็เอ๊ะทาไมชอบว่าเรางี้อยู่เรื่อยเลยทําให้เรามาคิดนะเออวันหนึ่งเราใช้ไปเท่าไหร่มัน <c oughs> <c oughs> ก็เลยต้องมานั่งคิดตอนนี้ไอ้นั่งคิดมันไม่รู้สิใช่ไมเพราะมันก็เลยต้องจทย์แต่อันนี้นี่จําได้ว่าระดับเป็นนักศึกษาแล้วช่วงช่วงช่วงที่อยู่มหาวิทยาลัยแล้วก็เลยมานั่งโจด จดมันหมดเลยคราวนี้ดูที่ว่าเนี้ยชีวิตเราวันหนึ่งวันนึงเนี้ยเราจะใช้ไปสักเท่าไหร่นะแล้วเราจะมาเทียบด้วยนะวั น, นเนี้ยเนี้ยที่เราช่วยงานบ้านเนี้ยถ้าคิดเป็นเงินเดือนนี่จะให้เราเท่าไหร่ <c ười> ไม่ยอมเหมือนกันก็บางคิดว่าคือจะคิดว่าคุ้มไหมชีวิตวันนึงวันหนึ่งของเราเนี้ยคุม้มคุ้มกับไอ้ที่เราใช้ชีวิตหมายถึงว่าคือเขาว่าเร า, ว, า, เราว่าเราเหมือนเอาเปรียบใช่ไหมว่าเราเนี้ยใช้จ่ายเกินรายรับ รายลับที่จะเข้าบ้านอย่างเงี้ยเราก็เอ๊เราก็อยากรู้ความเป็นจริงอะ่ะ mm. ก็เลยต้องไปนั่งทำเหมือนกันมาทอยู่นานเป็นเดือนเดือนนะจะจำไม่ได้กี่เดือน mm. ก็ไอ้ไอ้ไ อ, อ้สมุดเล่มเล็กๆ เ, เ, เนี่ย mm. เขาเรียกอะไรแบบพ็อกเกตบุ๊กไอ้ที่ที่พกใส่กระเป๋าได้เนี่ยนะ่าต้องมีเล่มหนึ่งเลยนะคอยพกใส่กระเป๋ า, าใช้อะไรมั่งกระจดอ่า กินน้ำอารมณ์ขวดหนึ่งก็โจทย์คือรบเมโ จ, จ, จทย์จดห์ดคตะทำอะไรไปโจทย์โอ้โ ห, หน่าตกใจจริงๆพอมารวมแล้วเดือนหนึ่งๆโอ้โหตายถึงได้ถึงได้ยอมจำนนกับโยมพี่ชายโอ้โหจริงด้วยเราใช้เดือนหนึ่งๆเยอะมากๆเลยไม่น้อยเลยแต่หลังถึงได้มาจำกัดคือคือจริงๆเนี่ย แต่ก่อนนี่จะมาอยู่ที่บ้านนี่จะใช้เงินทองนี่หยิบเอาได้เลยคือคือโยมเขาไม่ว่าอะไรนอกจากเราจะเอาไปทีเยอะๆเงี้ยถึงถึงบอกถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบไปที5 30, ้าบาทสิบบาทอะไรเออไม่ว่าอะไรหรอกหยิบไปจะไปใช้อะไรก็เอาไปคือเพราะถือว่าเป็นแบบกองสีคือใช้ร่วมกันอ่าทำงานก็ช่วยกันทําเข้าเออเข้าสู่กองสีเ<อ>พราะฉะนั้นอาคายาไปใช้ก็ไม่ว่ากัน นอกจากจะไปเป็นเงินก้อนโตที่จะไปซื้อไปทําอะไรถึงต้องบอกกันเท่านั้นหยิบไปได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่รู้สิใช่ไหมนึกจะใช้เราก็หยิบไปจะไปซื้อก้นมนมนมนเนยอะไรเราก็หยิบไปซื้อเพราะเราเลยเราเลยไม่รู้ว่าเราใช้ไปประมาณเท่าไหร่แต่โดยเราเองเราก็มักจะคิดว่าเอ้ยเราใช้ไม่มากหรอกเราว่าเราทํางานเยอะกว่านี้ <c ười> คือมาถึงว่าเราช่วยทางบ้านเนี่ยว่าเราทํางานเยอะกว่านี้ ไอ้ที่เราไปใช้โอ้ทัดจ้างเรานี่เงินเดือนเราน่าจะมากกว่านี้นะอืมส่วนใหญ่เนี่ยมันจะคิดอย่างนี้โอ้โหแต่พอจดบันทึกออกมาแล้วถึงได้รู้โอโ้ใช้มาต่หลังอาตมา ก, ก็เลยตั้งเงินเดือนให้ตัวเองเลยกําหนดเงินเดือนให้ตัวเองเพราะเรารู้ว่าถ้าให้เราหยิบเอาไปใช้หยิบเอาไปใช้อู้หูมันจะเกินเพราะเลยบีบตัวเองลงมาจํากัดเลย อาเดือนหนึ่งเราจะใช้แค่พันเดียวนะห้ามเกินนี้นะพันหนึ่งหนึ่หมายถึงว่าคุณใช้ทุกอย่างเลยนะคุณจะกินคุณจะไปซื้อของอะไรอะไรต้องอยู่ในนี้ทั้งหมดคือคือทําเหมือนอย่างกับว่าถ้าเดือนนี้ถ้าเราเกิดใช้เกินก็ติดลบติดลบนี่หมายถึงว่าเดือนหน้าสมมติว่าสมมติว่าเดือนนี้ติดลบไป200อ่าใช้เกินไงเป็นพันสใช่ไหมเดือนหน้าก็คือเราเหลือ800อยอย่างเงี้ย คืออย่างเงี้ยมันเลยทําให้เราเนี่ยต้องระมัดระวังตัวเราเองในการใช้จ่ายในการอะไรพวกนี้มากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่าเนี้ที่พูดให้ฟังอ่ะโอ้โหบุ่นบายไม่น้อยเลยนะความมิจกความห่วงกังวลจะมีหรือไม่มีกินจะมีใช่ไหมไม่มีใช่ไหม ม, มากมายแต่พอมาปฏิบัติเนี่ยมาลดละไปแล้วลดละไปแล้วลดละไปแล้วโอ้โหคุณไม่ หลับสบายเลยไ อ, ไอเรื่องพวกนั้นพวกนั้นเนี่ยเรียกว่าไม่รู้มันค่อยๆหายไปไหนหมดไม่รู้เพราะมันไม่ต้องไปคิดถึงอะไรแล้วเนี่ยทุกวันเนี่ยบอกตรงๆเลยนะมีเวลาก็ทำงานไปตามสถานการณ์ไม่มีไปนั่งเฉยๆหรือว่าไปอะไรนะ ไปให้เที่ยวเตไปดูหนังฟังเพลงอะไรไหนไม่เอาอะเสียเวลาเสียประโยชน์ไม่เอาเลยรู้สึกไม่คุ้มค่าชีวิตเราเพราะเราจะเริ่มเห็นเลยว่าคุณค่าชีวิตเราที่ผ่านไปแต่ละวันโอ้ยมันมีค่ามากอะจะจะมาทาอะไรเสบแบบว่าให้เราเนี่ยนะสบายสบายไปวันๆหนึ่งนี่ไร้ค่าเลยจะรู้สึกว่าไร้ค่าวราไม่เอา ไม่เอาเลยนอกจากว่าบางทีเนี่ยมันทายนเรารู้สึกว่าเราเบร์เบรมัง่งเราเพียเพียมัง่งอะไรบั่งเออไอถ้าอย่างนั้นก็ไปพักบ้างเท่านั้นเองอืมแต่นอกนั้นแล้วจริงๆไม่อยากให้เวลาสูญเสียไปเพราะไม่มีประโยชน์อะไรนี่คุณปล่อยเวลาให้สูญเสียไปโดยที่คุณไม่ได้ทำอะไรเนี่ยนะนั่นแหละจริงๆแล้วก็เหมือนกับขี้เกียจนั่นแหละก็เหมือนกันนะ เวลาผ่านไปแล้วคือคือเราก็ใกล้ความตายเข้าไปใช่ไหมเวลาผ่านไปเราก็ใกล้ความตายเข้าไปคือพูดง่ายๆว่าคุณหมดโอกาสที่จะทําบุญหรือหมดโอกาสที่จะทําดีไปเรื่อยๆอ้าวถ้างั้นพ่อท่านถึงใช้คําว่าทุกวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุญเนี่ยโอ้โหคุณจะเข้าใจอันนี้ได้ขนาดไหนอ่ะเพราะอย่างพ่อท่านเนี่ยพ่อท่านก็ไม่ไม่ให้ทุกวินาทีเนี่ยสูญเสียไปเลยพ่อแหละเพราะทุกวินาทีมันเป็นวินาทีแห่งบุญนะคุณ ถ้าคุณเข้าใจได้่ะราะจะเสียดายนะโอ้ยปล่อยไปโดยที่ไม่ทําอะไรเนี่ยเบิงเบึงวางว่างว่งวงวงวงาเปล่าๆุ้ยปล่อยไปทำไมอ่ะโอ้โหหน้าเศร้าเลยทันทีเลยเพราะว่าเราก็ใกล้ความตายไปคุณคุณปล่อยเสียไปสิบวินาทีอ่ะคุณหมดบุญไปแล้วสิบวินาทียิ่งถ้าปล่อยไปเพราะขี้เกียจ น, นะ โอ้โหไม่เพียงแต่ไม่ได้บุญนะสิวินาทีนะั้นไม่ได้บุญนะคุณยังได้บาปคือได้กิเลสความขี้เกียจเพิ่มไปอีก10วินาทีไม่เพียงแต่ไม่ได้สิ่งดีเข้ามานะคุณยังได้สิ่งเลวร้ายเข้ามาด้วยวันทุกวินาทีถ้าไม่เป็นวินาทีแห่งบุญก็กลายเป็นวินาทีแห่งบาปทุกวินาทีนั่นแนหะถ้าคุณไม่สามารถทําให้เป็นวินาทีแห่งบุญ ก็จะกลายเป็นวินาทีแห่งบาปเพราะโดยสัจจะโดยความเป็นจริงถ้าคุณไม่ทำเป็นบุญมันก็จะกลายเป็นบาปไม่มีอะไรว่าอะไรอะเฉย <laughs> เฉยเฉยเยไม่มีสภาวะจริงๆเฉยเฉยมันไม่มีหมายถึงว่าในชีวิตคนเราจริงๆเลยนะเพราะถ้าคุณนั่งเฉยเฉยเงี้ยแล้วคุณก็บอกว่าไม่ได้บุญไม่ได้บาปไม่ใช่เพราะคุณนั่งเฉยเยนี่คืออะไร เออคุณได้บาปแล้วมันมันตกฐานขี้เกียจแล้วก็คุณทําอะไรได้คุณไม่ทําอ่ะอ่เพราะนัมันมันเข้าไปเลยมันกลายไปเป็นฐานขี้เกียจหรือกลายเป็นฐานบาปไปเลยเพราะเนี่ยถ้าคุณยิ่งเข้าใจตรงนี้ได้นะคุณไม่อยากสูญเสียเวลาไปเลยที่จะต้องไปขี้เกียจขี้ค้านหรือหรือจะปล่อยให้เวลามันสูญไปเปล่าๆคุณไม่เอาเลยอุ้ยมันจะ เตือนเลยจะบอกตัวเราเลยเฮ้ยทำอะไรได้ทําทําสติอันเนี้ยมันจะมาเล่นงานอยูน่นันทีจะมาบอกเพราะฉะนั้นคุณไปสังเกตดูเถอะส่วนใหญ่ของพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่จะขยันน้อยน้อยรายที่จะขี้เกียจมีบ้างเหมือนกันโดยเฉพาะบางทีพวกที่ยังติดแบบสายลืส้สีคือขี้เกียจโดยไม่รู้ตัวคิดว่าอย่างนั้นเนี่ยแหมฝึกแบบสมถะแล้วก็ นั่งเฉ ย, เฉยแล้วก็ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปนั่นน่ะมันมันมันเข้าสู่สายขี้เกียจดยไม่รู้ตัวอืคือไปหลงไปหลงติดสุขแบบไม่ต้องทำอะไรอจิตว่างๆโปรองๆสบายๆต่างจากการที่เราเนี่ยมาฝึกทำสมถะเพราะว่าเราต้องการฝึกหยุดจิตบ้าง หัดบังคับจิตให้มันนิ่งบังสงบบ้างเพราะว่าเราทำเราปรุงเราฟุง้งเราอะไรมาเยอะแล้วอันนี้คือการฝึกนี่ไม่ใช่ขี้เกียจนะอันนี้คือการฝึกนี่นี่กำลังฝึกจิตอยู่นะอ่านี่ไม่ใช่ขี้เกียจทั้งทั้งที่รูปภายนอกดูแล้วเหมือนกันว่าบางทีก็มาฝึกนั่งทําสมาธแต่อันนี้ไม่ใช่ขี้เกียจเพราะนี่กำลังฝึกอยูอ่แต่ที่บอกว่าขี้เกียจจะคือพวกที่ติดแล้วชอบแล้ว มานั่งสบายๆทั้งๆ ท, ที่จริงๆก็สบายอยู่แล้วอะ่ะไม่ได้มีทุกขกุมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะจิตใจก็สบายๆดีอยู่ก็ไปทำประโยชน์สิทำอะไรก็ได้อะ่ะ <c oughs> ทำไมกลับให้จิตมันว่างเปล่าไม่ไม่ไปทำประโยชน์อะไรนี่เป็นความสูญเสียนี่เนี่ยพวกฤาษีจะติดอย่างเงี้ยแล้วก็จะจะสูญเสียไปผู้เจ้าถึง ไม่ให้เป็นแม้พระโสดาบันเห็นไหมล่ะเพราะยังเป็นอบายมุกอยู่ไงถึงถึงไม่ได้เพราะยังอยู่ในฐานขี้เกียจอยู่เลยอะ่ะอา้าวคุณยังไม่พ้นอบายมาเลยเนะี่ยคุณจะไปได้ฐานพระโสดาบันอะไรอะ่ะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะอา้าวพยายามขยายพยายามอธิบายเท่าที่จะพูดให้ฟังได้นะถ้าถ้าถ้าพอจะเข้าใจได้เนี่ยมันมันจะเกิด สภาวะในจิตเราแล้วมันจะทําให้สติในการเตือนคุณเนี่ยจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากจนวันหลังเนี่ยถ้าคุณมีคุณเป็นได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วคุณรู้เองเลยว่าเออจริงๆด้วยหมดสิทธิ์ขี้เกียจบอกคุณได้เลยว่าถ้าคุณเข้ากระแสมาแล้วคุณหมดสิทธิขี้เกียจละเพราะทุกครั้งที่คุณขี้เกียจเนี่ยคุณจะทรมานคุณจะทุกข์เพราะนั้นหมดสิทธิขี้เกียจจริงๆ